เรื่องในที่แรกว่าเลืองวันที่24เป็นมาเอาเลยผู้การท่านเอาเรื่องเลยนึกว่าที่แรกว่าหลังวันที่24ที่นี้เป็นเมาเลยเขาบอกก็รู้อยู่แล้วออกกันจะยกใจทั้งนั้นแต่มันจะได้เขียนใหม่ครบเซ็งไหนไม่รูงมึงบอกมึงก็มากขึ้นเจ้เลยมากขึ้นเพิ่มขึ้นบอกว่าเอาก่อนรับน้องเอาก่อนเลยเสร็จแล้วท่านเจ้าเจออะไร แม่ท่านให้โทรมาทางจริงนะ้าถวายวัดเราก่อนได้ไหมเพราะอ่างกล็ดเอ็กซ์ฟองกั่นยกก็จะต้องเปลียนเปลี่ยนเรื่องใหม่หมดแล้วบอกเอา่อนเลยบอกเอาเลยทาดีมันทํายากจะเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างมันทันยากแต่ยากทำไม่ง่ายไม่ยากหรื เข้าพรรษาก็ครึ่งวันนี้ที่นี่ก็ค่อยเลยลงไปเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยจนถึงวันออกพรรษาก็นับกันไปนับกันมามือแจ้งมือแจ้งมือแจ้งค mm hmm. นเราลืมนับตัวเอ ง, งเนี่ยลืมไม่มองดูตัวเองคนแก่เข้าไปทุกวันทุกวั น, นเขาแก่เขาไปแล้วก็โลกก็เข้ามาทุกการทุกมุม ถ้าไม่ได้คิดที่อ่านมันก็ดิ้นลงดิ่นหาความสุขแต่ก่อนอาศัยขันอย่างเด็กจึงมีความสุขเพราะอาศัยขันดีกําลังกายกําลังใจก็มันก็ไปอันนั้นเป็นเส่นมืองช้ไม่ใชไ่ไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็แก่ไปทุกวันทุกวันเอยไม่รู้สึกตัวไม่ได้คิดไม่ว่าท่านมาเราแหละเาเป็นหลักธรรมชาติดื่มไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันก็นับวันมืดแจงมืดแจง คุยธาุถึงการเวลาก็ร่วงถอยไปเหมือนใ<ป>บไม้เหมือนต้นไม้พอแก่เต็มที่แล้วก็ล่มถอยไปเลยเอาอะไรมาใส่ก็ไม่ได้เอาปุ๋ยเอาอะไรมาต้นไม้มันแห้งแล้วเอาปุ๋ยเอาใส่มันก็ไม่ดุถ้าคนเราคิดอย่างนี้ย้อนเข้ามาคิดถึงตัวเองฉันหวังมีความแก่เป็นธรรมดาท่างให้สอนตัวเองให้เข้าใจนะขันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นที่อาศัยโซ่การเวลาขนาด มันก็จะค่อยตื่นตัวขึ้นมาหรอกมันมืดมันไม่ใช่ธรรมดาพูดเลยมืดด้วยกันหมดมันไม่ฟื้นยังไงท่านจึงเตือนให้พิจารณาอย่างนี้เนึองๆเหือนมันวชวนแล้วก็สวนเล่าก็ผ่านไปผ่านไปท่านักป่าท่ทนานไรเป็งลมผีปากกันนั่เนเองใจมันไม่กระตือขึ้นมาท่านจึงให้ย้อนมากลับมาสอนตัวเองว่านี้จะแก่นะอันนี้ก็ผ่านไปก็แก่ไปแล้วนะนี้อายุห้าสิบหกสิบ แต่ก่อนตมานี่ยโหแบบล้อมรวดน้ำแถวนี้แบกเสาแบกอะไรแข็งแรงเดี๋ยวนี้แค่ยกกระป๋องภาษาไทยว่ากระป๋องถังหนึ่งท่านยกขึ้นมาเจ็บเอวแล้วบางทีไม่อยากจับเลยแต่ก่อนจับปุ๊บปุ๊ปุ๊มือเนียนพวงเดนเน่ะพวงเดนเนี้ไม่จับปุ๊บปุมันใช้กําลังเพราะกําลังกายมันดีแล้วกําลังจิตใจก็คืออาศัยทางเจตสิกเฉยๆนะตัวตัวจริงตัวพุทโธดวงเดิม ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาะมาหลงเจตสิกอันนี้นี่พูดอย่างนี้มันก็ไม่มาว่าท่านมาเรามันหลงด้วยกันอันนั้นคิดไปนั้นก็หลงไปชั่วพักหนึ่งติดรูปนี่ก็หลงไปชั่วพักหนึ่งก็ไปติดรูปหน้าก็หลงไปชั่วพักหนึ่งอะรูปเป็นเดียวจินอาหารอันนี้คือจินอันนี้อร่อยวันหน้าก็จินอร่อยผ่านไปความแก่ความที่จริงอาหารเขาก็ไม่มีอะไรเป็นสมมุติอันหนึ่งที่โลกนิยมมาอันนี้คืออร่อยท่านอย่างนั้นจะรู้ไงนี่เป็นสมมุติโลกนิยมกัน ก็เป็นความจริงอย่างนั้นถ้าไม่อร่อยมันกินทานไม่ได้แต่ธาตุมันไม่ได้ขึ้นกับใครเวลามันแก่จริงๆไม่ดูดอะไรทั้งสิ้นกินอะไรมันก็ไม่อยากจะรับก็ไม่อยากแต่เวลายังหนุ่มนี่เชี่ยวถึงลิ่นตัวเองใครจะไม่เพลินใครจะไม่ผ่านทางสายนี้ไปอันเดียวกันไม่ว่าคารวะหรืว่าพระไม่ว่าใครผู้หญิงผู้ชาย มาใส่อา ย, อยตนะนีเท่านั้นเองรูปเสียงจริงรดโขวดพระธรรมลมกันวะอาจารย์หกนี่ตามนักบุติจารทันทรงบัญญัติหรือสมมติโลกนิยมกันมาอันนี้เป็นเครื่องมือชใช้เฉยมันช่องมอก็เป็นเครื่องมือชใช้เฉยแกมาจึงสัญญานิจานความจำก็เสื่อมหลงหน้าลหลงหลังพูดแล้วยังไม่ได้พูดเดี๋ยวนี้อยากจะเป็นนะต้องต้องขออาภัยจากพี่น้องทั้งหลายใส่ใจให้ทราบไว้บางที พูดแล้วว่ามันไม่ได้พูดมันอาจจะเอ๊ะทำไมท่านพูดบ่อยมันเป็นนะความแก่อันนี้ถ้าสังเกตเป็นจริงๆต่อหน้าต่อ ต, อตามมันก็ลืมวักไปเลยนะมันเป็นงนั้นนะนี่ไม่คอนพวกเราจะไปตายใหญ่กับอะไรอันนี้เดี๋ยวก็ฝนน้ําท่วมตกคิดวันนั้นตั้งความหวังไว้โน้นอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งไว้ข้างหน้าตั้งไว้ทำไมยังไม่มาถึงตั้งในปจีวันเลย ถ้าทำอะไรก็ตั้งหน้าตั้งตาแก้ตัวเองให้ถูกหลักถูกเกณฑ์หลักเกณฑ์ก็คือหลักศีลหลักธรรมตอนนี้ที่จะคุ้มครองป้องกันพวกเราให้ปลอดภัยไม่ว่าเวียนไหวแต่เกิบบดในภพใดชาติใดอันนี้เป็นธรรมชาติคุ้มครองป้องกันที่สัตดาทรงโลกริมถูกกันออกไปหมดแล้วเปลือกกัะพี้เอ่อเปลือกเนื้อหนังทุกอย่างทั้งทั้งเปลือกทั้งกระพีกันออกหมดจึงเลแต่แก่ ถ้าเป็นน้ำมันก็เหลือแต่น้ำมันเรากั่นเอาแต่น้ำมันเอามาใชา้นี่เหมือนกันกั่นกิเลสออกทั้งหมดไม่มีโทษเลยทำตั้งแต่ทานแต่สินขึ้นไปเป็นเครื่องกั่นกองเช่นการ่นกองเข้าไปเรื่อยๆเ่ยนี่หมายถึงวัตถุทานวัตถุทานนี่ เ, เชื่อมโยงระหว่างธาตุขันธ์ระหว่างโลกได้พึ่งพาอาศัยซึ่ง ก, กันกับวัตถุปัจจัยอันนี้ถึงจะมาให้ทานให้ฉเฉลี่ยเจียจานอย่าไปยึดจนมาเป็นของเราจนเกินไป โลกพนิยมเพ่งแะ่ ว, ว่าวางกฎหมายให้มีที่มีฐานเป็นสมบัติของตัวเองแต่ให้พิจณาให้เราครอบนั้นคือเครื่องใช้ใร่องการเวลาถ้ามาจุดม า, มายึดมาติดก็ะทะเลาะกันอยู่ทุกวันทุกวันอย่างที่เราทะเลาะกันเรื่องสมบัตินาน า, นาประการเพราะไม่มีคุณธรรมก็ไปเกี่ยวขอ้องเมื่อทำแทรกเข้าไปตรงนั้นแล้วความร่มเย็นก็เกิดในครอบครัวนั่นทันที มันถังรู้จักเสียตลาดมันรู้จักเฉลี่ยเจียจานนั่นวะเพื่อกูลหนุนกันให้ความร่มเงย็นแก่กันทำนี้ไปทรงไว้ที่ตรงไหนมันผิดตรงไหนอะบรรดาพี่น้องทั้งหลายควรพิจารณาดูสิเราไปแก้กิจแก้ใจตัวเองอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญของบรรดามนุษย์หรอกถ้านั้นแล้วก็เพื่อกูลแก่สักด์หมดเลยความร่มเงย็นถึงหมดเช่นให้อภัยทานอย่างวัดเราอย่านี้หัวหน้า อ, อท่านก็นเป็นหัวหน้าศูนย์เรามาให้อภัยแม้จะฆ่าสัตวก็ตามมีเหตุที่ให้อภัยค่ะเราจะไม่ทําลายจนแหลกไปวิจิตรไปหมดจนไม่มีที่อะไรเหลือให้ผมร่มเย็นแก่กันไม่ได้แั่งลองเราฆ่ากันหมดสิบ้านนี้ก็ฆ่าบ้านนะามก็ฆ่าบ้านแสงอารมณ์ก็ฆ่าแหลกกันหลุดไม่มีให้อภัยซึ่งกันในกันโลกนี้จะเป็นไฟมาเลยกันไปไม่ใช่เดิม น, นั่นแหละเรื่องเรื่องไม่มีการให้อภัยกัน ถาดเขาก็ชอบให้อภัยถ้ารู้จักดีๆถ้าไม่ฆ่ามันหรือว่ามันอย่างลูกยุงอย่างเนี้ยเห็นดูสิมันสนิทเหลือเกินนะทินี้เล่าเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์พวกเราเรียกหลวงตาท่านมาอยู่ที่นี่ปีสองพันหนึ่งร้อยเจแปดอะไรถ้าจำไม่ผิดเริ่มจากนั่นมาท่านมามาสอนสัตว์ให้เราให้หลวงพ่อนี่หละดูในในเ็ท่านบอกเราจะไปเรียกอยพาไปดูไปเรียกไก่มานะเราจะเราจะ ทำให้ดูเพราะเราเป็นนายพานแตก่อนท่านก็ยกมือเป่าอะไรหลักของสั้นเราก็เราก็ดูหน่อยเราเป่าไม่เป็นหรอกนางจ้าจะาะจ้าไก่ป่าว่าจ้าจ้ามาถึงใกล้ใท่านมวแจกกระดิกนะเพรากระดิกมันจะบินท่านวะท่านเตือนเราก่อนแจ๊กไงนะเนี่ยมันอย่างเนี้ถูกไหมอ่ะเราจะไปที่เนึ่ก็เดินไปอีกประมาณสักห้าเส้นหนึ่งครับเป่าอีกทีท่านพอเป่าอีกเจ้า ก็มาอีกแก่เจ็กทีนี้นะท่านว่านี่ล่ะมันไม่รู้จักเห็นไหมสัตว์รัานถ้าเป็นคนเขาบอมาถึงปุ๊บเขาก็เปีบยงเดียวเลยเสร็จทีนี้เราจะสอนมันนะนั่นท่านเป็นใจนักปราชท่านก็เคยฆ่าเป็นจนถึงนายพานเมื่อเป็นใจพระใจธรรมไม่ว่าคาราะหรือพระแหละถ้าเป็นใจมีเมตตาหากเป็นธรรมแล้วเขาเรียกว่าเป็นธรรมหรือเป็นพระภายในใจนั้นนั่น นั่นแหละธรรมชาติของจิตที่เป็นธรรมล้วนๆล้วนๆจะไม่เอาเปรียบเอาละผู้หนึ่งผู้ใดจึงว่าทำถึงคุ้มครองป้องกันให้โลกร่มเย็นได้มากมายอะนั้นท่านก็ฮะอัวเตรียมค้อนไว้นะอันว่าท่านเตรียมค้อนไว้นะเราเราือนี้มันเชื่อซ่าถึงขนาดนะเพราอ่ะไปปอด จ, จ้าจ้าจ้ท่านจับอขวานก่อนแล้วแล้วขว้างเลยหรอเพราะขว้างลงกับบินตึงเลยฮะที่นี่เราจะไปลองนะ ถ้าเป่าที่นี่มันจะไม่มาแหละกรแปว้วานี่ยคนอันตรายอ่านดูสิใจนักบ่านไม่มีเอาเปรียบเอาัะใจอริยะบุคคลอริยะหรือท่านเป็นผู้เป็นวิสุธทธิคนวิสุธทธิธรรมถ้าเป็นอริยะบุคคลนั้งแต่พระสัตบัณขึ้นไปเป็นพื้นๆเลยจะไม่มีเรื่องนิ่เป็นธรรมชาติที่ความเมตตาเต็มสมบูรณ์แบบไม่เอาเปรียบเอาัะมีแต่ให้ความร่มเย็น ไม่ว่าผู้หนึ่งผู้ใดแต่สัตว์แม้แต่มหมดตัวหนึ่งหมดเลยแต่ยังว่าทำทำโลกให้ร่มเยน็นทำสัตว์ให้ล่มเยน็นไม่เอาเกลียดอะไรในพื้นแผ่นดินในโลกอันนี้วะเดี๋ยะเราฟังความกันมาฟังทำนี่ทำเป็นธรรมชาติไว้อย่างนี้พวกเราธรรมชาติของกิเลสมีแต่ทะเลาะ ก, กันมีแต่โลกกันเรื่องกินนี่ก่พอจับได้กี่หอกี่หอสวยปั๊บปั๊บ ป, ปโลกแล้วก็คิดเกิดถึงคนนู้นคนนี้ไม่คิดเห็นเอ๊ะ ความเป็นอยู่ที่ร่วมกันมากินมาร่วมมากันมาสามขีปองรองน้ําใจซึ่งกันและกันนี่ถ้หนึ่งนั้นอยู่กัน น, ก น, นู้มากหงื่อเฟินก็มองเนี่ยเรอถ้าทำํำจางคนจังเฉลี่ยเจดีย์เท่าไหร่เราเรากินหมดแล้วร่วมกันเหลือเท่าไหร่ค่อยว่าเอาไปบ้านไปเรียนกลับไปถึงพี่ถึงน้องถึงญาติพี่บงหรือตลอดคนเฉลี่ยเจียจานอันนั้นเหมาะสมงามที่สุด น, นี่เราทำจึงวร์อยู่ในกลุ่มใดอยู่ที่ไหนแดนใดเถอะบ้านไหนเมืองไหนเถอะ ถ้าเอาทำนี่ไปใช้รับรองว่าความสงบร่มเย็นเป็นจุดเป็นจุดจากนั้นแล้วเฉลี่ยเจีจานแกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยน้ําใจอันเต็มเปี่ยมที่เราสมัครหรือพอใจที่จะช่วยหน้าที่การงานกันทุกอย่างที่เห็นว่าเสียสละทันทีประเภทนี้เพราะรู้จักเฉลี่ยเจียจานรู้จักให้รู้จักอ ใ, ให้อภัยรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเฉลี่ยเจียจานกันเป็นพื้นเพที่ดี พอเห็นว่าเป็นประโยชน์เสียระบาปุ๊บทันทีช่วยช่วยเต็มที่อันนี้เรื่องเองินเรื่อ ง, องวัตถุมันท้วมทนเวลานี้เอาแต่เงินมาจ้างกันจ้างกันน้ํำใจมันลบทิ้งลบทิ้งเห็นไหมมันร้อนขึ้นมามีแต่เอาเงินอย่างเดียวผลทุนไทยการถามกันก็เข้าป่าซ้า ก, ก็จะจ้างแต่เงินอย่างเดียวลองดูถ้ามีความสุขเราจะท้าเลยถ้าทําไม่ได้แทรกเข้าไปเพียงแต่เงินอย่างเดียวอย่าว่ า, า ง, เงเงิเงินมันขึ้นกับคนถ้าคนไม่ดีมันก็เป็นโทษหมด ถ้าคนดีมีศีลมีธรรมมีความร่มเงย็นเกศตัวนี้แต่ทำประโยชน์มีแต่สเสียเีศจันไปที่นั้นให้ความร่มเงย็นหมดนั่นแหละพื้นเพที่มาถึงว่าคือจิตใจเป็นฐานสำคัญที่จะเอาความเป็นธรรมความร่มเงย็นเป็นสุขนะับแต่ความซื่อสัตย์สุจริตขึ้นไปที่ฉันกล่าวไว้พอหมอกพอเหมาะบรรดาพี่น้องทั้งหลายทุกคนที่มาเอาไปคิดได้เลยว่านี้ มันดูในหัวใจแต่ละดวงระดวงเมื่อมันมืดก็อย่าไปดูถุงดูงแคลนกันเป็นมาด้วยกันเมื่อไม่ทําระด้วยศีลด้วยธรรมนับวันจะมืดตื่นขึ้นไปปิดปิดปิ ด, ปดไอความมืดตื่นที่นี่มีแต่ความทุกข์มีแต่ขนอารมณ์สิ่งที่ไม่มีชัะประยชน์เข้ามาหล่อเลี้ยง จ, จิตใจมีแต่นขนกองทุกข์เข้ามาจึงิงในร้อ ง, องห่มร้องไห้บางทีทุกข์มากจนกินยาฆ่าตัวเองตายตายไปตรงไหนตายเวลาทุกข์มากๆมันจะไปตรงไหน เพราะธรรมชาติตอนนั้นมันก็ลงนรกเลยแทนจริงมาให้ค่าตัวเองเดีย๋ยวนี้เป็นเยอะโลกประสาทก็เยอะเพราะดิ่งหาแต่เงินเอาเงินมาทำลายความจริงคือความร่มเย็นเป็นสุขความเสื่อเรี่อเจียจารคนเห็นท่านเห็นเรารู้จักบุคคลควรที่จะบำรุงรักษาหรือควรที่จะส่งเสริมให้เป็นคนดีอย่างนี้รู้จักรู้จักรู้จักทารู้เลย ทีนี้เอาเงินมาจ้างอย่างเดียวโอ้ยไม่มีทางว่างอย่างนี้ไม่ได้ดูถูกก็ <c oughs> ทํากันมากี่ปีกี่เดือนมีแต่เรื่องเดือดร้อนรุ่นหวายก็เตั้หมดนี่ด้อาศัยที่ให้เอาเอาใครดูซินี่ทั้งพี่น้องทั้งหลายมานั่งรวมกันอยู่นะที่นี้ <c oughs> นี่ดูซิความส ง, งบร่มเย็นเพราะมุงม่งฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเมตตาสัตว์โลกนับแต่กันไหนมาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนผู้หนึ่งผู้ใดเลยมีแต่ความ ลมเยนเป็นสุขใครก็ไปปฏิบัติที่ไหนที่ไหนล่มเย็นหมดไม่น่าสงสัยเลยบอกร้อนยะเปอรเซนี์อันนี้มึงต้นมันก็มืดต้องอาศัยฟังฟังแล้วไปปรับปรุงปรับซี่ขยับปันเล็กและน้อยมันไม่ชื่อสัตว์ก็ยากพูดอะไรก็อย่าพูดจนไม่มีสติสตังจนเป็นนิสัยเลยชินกับสิ่งที่โกหกหลอกลวงมาเช่นไม่แก้มันก็เท่าเดิม มาก็เจอแตะอย่างนี้แหละเดียงโกหกหลอกลวงอยู่ตลอดเต็มโลกเต็มส้องสารนี่งนี้แต่สัตว์มันยังรู้ธรรมชาติโกหกเราก็เคยพูดเออตัมาที่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังไก่ก็ลองดูกุ๊กกุ๊กกุ๊กุ๊เอาข้าให้มันกินมันก็วิ่งมามันก็รีกินแล้วกุ๊กกุกกุ๊อีกดูสิเอาไม่ไมาให้มันสามทีเท่านั้นเองกุ๊กอีกมันไม่มาแล้วนะธรรมชาตินั้นมีอยู่ในหัว ใ, ใจสัตว์คือความชื่อตรง ซสัตย์ุจริงแน่นอนแม้จะสัตว์เดรัจฉานก็ยังทราบน น, นั่นแหละความจริงแห่งธรรมยิ่งว่าตรงไหนตรงไหนดีหมดยิ่งกว่าความหลกลงต้มสุนเวลานี้มันจะเต็มโลกเต็มสงสารตัวเองก็ไม่ชอบของปลอมแต่เวลาอยากได้ของขอนิ้ขวขัวมัดมักมัดมัด ม, ม, ม, มันจะได้นั่นแหละความโลภสันว่าตัณหาตัณหาถ้ามากเกินไปทั้งว่าตัณหาหน้าด่าผลยุดท้ายกความหน้าด้านก็เลย ไฟก็เผาแบบหน้าด่านเหมือนกันนะมันก็มาเพราะสาเหตุที่การกระทามันมันก่อขึ้นมาท่านจึงว่าโอ้ทำตัวนี้เลิกทีเดียวถึงว่าการไหว้คราทุกวันทุกวันนีไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องเสียงเงินเสียทองตั้งอกตั้งใจไหว้น้อมเอาคุณกุทิเจ้าเข้ามาสูงวัาใจแม้เราทุกข์มากเหลือเกินเพราะองค์ทรงเมตตาใจยำโพู เต็มเตีเ่ยมด้วยความเมตตาไม่มีจิตดวงนั้นไม่มีโทษต่แม้คนจะไปว่าเก่าหรือยกโทษท่านมีเท่าไหร่ท่านก็ไม่มีไม่ได้สนใจนใจิตดวงนั้นเพราะเห็นความเป็นมาตัวเองก็เคยเป็นหมาความโกรธความเอาเปรียบเอาลัดเป็นมาอย่างนี้ด้วยกันหมดเมื่อมาเห็นธทำแล้วดวงนี้แล้วมันใครจะว่าเท่าไหร่มันก็ไม่เอาโทษเอาภัยเอามาทําไมมันก็เป็นทุกข์แต่พวกเรามีตะกรอบเอากรอบเอาอารมณ์เข้ามาไหนกรอบเอากรอบเอานี้แต่ขนทุกข์ก็มาคุ้มหุมหัวใจลืม วันลืมคืนปเดือนผลชุ่ท้ายก็ตายทิ้งเปล่าๆอย่าให้ติดตายทิ้งเปล่าๆในเชยชาตินะเกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาเมืองไทยนี้ชั้นนํานี่เ ป, นเป็นเป็นเมืองพุทธศาสนามีท่านผู้บริสุทธิ์สมบูรณ์มามรณภาพเป็นจํานวนมากมายใ น, นที่เราได้ยังได้พอได้เห็นว่าแต่นานไปรุ่นหลังอาจจะไม่เห็นผู้บริสุทธิ์นี่เห็นต่อหน้าต่อ ต, อตออาอธิบุงปูเผาหรืออธิบุงปูบูน้งแสงอุตอธิ หลวงปู่ขมจิระปุยู่เป็นข้าทาสเจ็บมาดูสิกระดูกเรามันจะตายกระดิ่งปเปล่าเปล่าตายแล้วเขาก็ไม่อยากได้เขาเอาไปบ้านเขาก็าผีขึ้นบ้านเจอนะอทิท่านผู้บริสุทธิ์ไม่กลัวเลยแล้แย้งท่านด้วยซ้ำไปเราก็ทําเราให้เป็นอย่างนั้นดูสิท่านก็เป็นคนมามุ่งกันก็น่าจะคิดจะอ่ะเรากำลังจิตใจเราด้วยศีลด้วยธรรมนี้ดีไปตลอดทันนีว่าการบานเพย์คุณงามความดี นับแต่ทานเป็ที่พูดศีนไม่ต้องว่าละศีนี้ถ้าเก้าเข้าสีนีห้าขึ้นไปแล้วอสีเลนจูคตินีิเลนโฟกับซัมบะชิเลนปูตินเยนติเข้าถึงนิพานไลยถ้าตั้งสินเจ็ตเข้าไปเออสินไหนก็สินไหนก็ซัมลาชิเลเหมือนกันเป็นแต่ว่าหยาบละเอียดต่างกันว่าไปตามเพศของคาราวาแต่ถ้าจิตนั้นไม่ว่าประเภทไหนไม่ว่าคาราวาหรือว่าพระเมื่อซําละแล้วเสมอกันหมดพระกับพระ สินสองร้อยยี่สิบเก็ยี่สิบเก้าถ้าไม่รักษาก็หยาบโลนเหมือนกันอันเดียวกันท่านจงบอกรักษาก็คือใจแต่และดวงละดวงนี้ถ้าน้อมสินเข้ามารักษามาคึ้มคุ้มครองป้องกันเหมือนกันหมดสุขุติยินตินี่ปุตติยินติถึงหมดเมื่อสมบูรณ์นับเหมือนกันหมดท่นานบอกเราก็ควรคิดกวร่รอย่างน้อยก็มีสินห้าแปดวันได้สินห้า ปีหนึ่งมันเท่าไหร่44สิงห์หรอกนะ12เดือนเดือน14 42 3ติด12 4 46นั่น46สิงห์ได้46วันเนี่ยแล้วไม่ได้อะไรทั้งเลย8วันก็ผ่านไปหรือไม่ได้เลยกรมสรรคุณจริงไม่ได้แจ็คจะพึ่งอะไรจิมพารันยุ่งทั้งวันทั้งวันแจ็คจะพึ่งอะไรคณะสมบัติมาก็ตายขึ้งกระเป๋านี่ยนั่นบอกว่าบอกจริงๆแล้วนี่เชื่องอาศัยช่วกันเวลา ไม่ว่าที่อยู่ที่จาใช้กินว่ะอย่ายึดจนเป็นคดีข้อความกันถ้ามีสินห้าเข้าไปปุ๊บมัไม่เปลนกฎหมายไม่ได้คุ้มครองเลยเอาเป็นลองบูทั้งหมดเมืองไทยไม่ต้องไปคาดไป็หมายให้มันเป็นขึ้นมาลองดูสิถ้าไมันเป็นเมืองสวรรค์ขึ้นมามนุษย์อาจจะกลายเป็นเมืองเทพเลยจะว่างอย่ไม่ต้องคิดเองถ้าเป็นหมดแล้วจะไปกินอะไรไม่ต้องคิดให้มันเป็นขึ้นมา เราดูสิอำนาจของสีเรนทุกติงเยนตีทีเรเนโปรก็สัมป์ปทานิก์าวไว้ชัดเจนพบเครื่องบัตรมาเพราะคนมีศีลมีธรรมนี่ไหลมาเทมานะอย่าไปคิดไปไหาอั น, นั้นกิเลสมันหลอ ก, อนน ก, ลอกคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้มีนจะเรื่องออกลายทั้งหมดเลยถึงกิเลสมันหลอกทำามันกิเลสไม่ได้ดูถูกพี่น้องทั้งหลายที่มานี่รวมกันหมดอันเดียวกันมันหลอกเหมือนกันพระมันก็หลอกเหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวอันนี้เป็นเครื่องหมายพระพุทธเจ้าทรง ว่าให้ผู้บริสุทธิ์คือผู้ตั้งใจบำเพ็ญศีลธรรมที่จะหนีจากโลกอันนี้เป็นเกียดติวางนั่นถ้าไม่มีการรักษาไม่มีการดูแลทึ่งหลับก็ทำไม่นายไม่มีการปฏิบัติโอ้ยอกับเหมือนคนธรรมดาเนี่ยแหละกิเลสมันก็ไม่ได้ออกชักตัวนึงโอ๊ยถ้ามันกลัวนี่เกิสาทุกไม่ได้ดูถูกภาคอาสาพันก็คลองอยู่เหมือนกันนะถ้ากิเลตนี้มันกลัวจริงๆก็จะเอาพวกที่กลัวพลาดเหงื่อจะเอาพวกนี้มาบวชให้หมดจะให้มันกิเลตันหมดไป ยิ่ไม่กลัวสักหน่อยขี้เกียจมันก็ไม่กลัวไม่ออกสักหน่อยพระขี้เกียจก็ไม่ดีเหมือนเดิมพระขี้โลกก็ไม่ดีเหมือนเดิมเนนขี้โลกก็ไม่ดีเหมือนเดิมทำจึงไม่ลำเอียงนั่นะจึงไม่ลำเอียงศีลคาราะก็ดีท่า ก, ก็ดีแต่นำไปฏิบัตินั่นทากก่าปฏิบัติท่านบอกว่าปฏิบัติท่าให้ขึ้นมีในใจนั่นะเป็นได้หมดอยางนั้นนายสาขาจึงเป็นพระสุนทรบัณฑ์ถ้าจะไม่ปิดอนาถบินดเดกเกษถีหรืออะไรเขาเรื่องฮบดี กิตตากลื่นหงบดีเป็นสากัดทาขานี่นะถ้าจำไม่ผิดนั่นทำใิ้เกิดสิทิเข้าใจว่าเป็นพระสุตบัณ น, นางนี่สกาดเป็นพระสุตตบัณก็ผู้หญิงเนี่ยกับพระนั่นเดี๋ยวนี้พระจําจนวนมากมายไม่ได้ถูกรวมทั้งผู้พูดในเวลานี้ด้วยไม่ทราบว่าได้เป็นพระอะไรได้อริยบุคคลจะ ก, กี่ชั้นหรือเปักครั้งก่อนท่านนั่นมีผู้ที่เจ้าทรงโลกวิถทูท่านประกาศออกมาให้รู้จักนี้เป็นนั้นนั้นเป็นนั้นใครจะว่าเป็นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่พระธรรมชาตินั่นแม้ไม่ให้ก็ตาม ทำเป็นทำนี้ว่าเป็นสมาชิกเหมือนทานอาหารกินอิ่มแล้วใครจะมาให้ก็ใครจะบอกก็ไม่อิ่มก็ไม่สนใจนะทำเมื่อเต็มที่แล้วจะเป็นชั้นใดก็ตามไม่มุ่งหวังกับเกียรบคุคคลผู้ใดจะมาให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวเสร็จเลยย้ำไม่สงสัยด้วยแล้วก็ไม่ถามใครด้วยเมื่อทํานี่ถึงความจริงแล้วดัเที่เงทิยบไม่ฟังเหมือนอาหารหน่าอิ่มท้องแล้วถามใครว่าความอิ่มมันวาดภาพมาได้ไหม ไม่เห็นใครวาดภาพอะไรมีแต่ว่าอิ่มเท่านั้นก็รู้จักว่าคืออะไรเอาอะไรมาวาดเนี่ยวาดไม่ได้แต่ความรู้สึกมีอยู่ว่าอิ่มแต่จะาความอิ่มบอกคืออันนั่นอันนั่นมันก็พูดยากแต่ภาพด้วแต่ว่าอิ่มไม่สงสัเลยม <c oughs> ันเป็นอยังไงผมวาไม่ใช่เล่นอ่ะอันนี้พูดธรมะก่อนธรรมะเป็นสิพอ